มีข้ามใบเจ้าอามพิวาพระผู้มีพระภาคเข้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เมตตาสว่างคาตุนหาคาวตา ทำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอามังนามาสามีอาบเจ้านมาสการพระธรรมสุปฏิปโน พระขาวโดสหวกาสังโฆปราสงฆสาวกของพระภูมีพระภาคเจ้าบาตรบาตดีแล้วสังฆนมามีอาบเจ้านอบน้อมราสง นามยังบุไดสะภะคะวะโตผุภะพาคานามการังการรมัสสีนามวันไะภะคะวะโตวะอาระโตวะสมะสัมุสะนมัะภะคะวะโต ตัวสมมาสมบูดาสะนมาดสะพระขาวตัราหะตัสมมาสมบูดาสะอนอบน้อมแด่พระ โอมิหระภากย์เจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นภูใครจากกิเลาสแต่สรู้ยอบได้โดยพระองค์เองนามยังพุทธาปิตุติงการุมะเสียงเยื่ออันโสตถาคตว ยะพระองค์ใดอารังผ wow, ah ู้ไรย่ากิเลสสามมาสัมพุทโธเป็นผู้ไดสรู้ชอบได้ดูพระองค์เองวิชาจารณสัมปันโน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 เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษ ท, ที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธนานเดวามนุสนางเป็นครูผู้สอนของเหตุว่าดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโทเป็นผู้ เดินผู้เมิกบานด้วยธรรมพาเขาวว่าเป็นผู้มีความชำเรินจำแนกทมสั่งสอนสัตว์ โยมังโลกังสาเทวาังสะมะระกังสาพระมกังสาสะมะนะพระมะนิงปะชังสาเทวามะโนสังสะยังอะพิญญาสะจิกาตวะเปเวเดสีพระภูมิ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 โยธาังเดเซสีพระภูมิพระบาทเขียวพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกันได้ยานังภายรอในเบื้องตน มะเชกันระยานางไปในทางกลางปาริโอสานกานระยานางไประในดีสุดสาธังสาวพยัญชนะงเกวรปาริบุณังบาริสุทังปียังบากาเสห์สี องประกาศพรหมชนคือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมดังอาถาพร้อมดังพยัญชนะอมหังพระขวันตังอาภิปูชียมีธรรมใบเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระมีพระภาเข้าพระองค์นั้นดา หังพระขวันตังสิรสสะนามิธรรมบัยานอบนอมราผูมีพระภาคเจ้าพระองค์นานด้วยเสียนกราวหันนามยังธัมมาพิทูติงการมะเส โยสวาสวะขาโดมะขาวาตารัมัวพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิิโก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 ท่าบัจเจ้ า, าบูชาอย่างยิ่งชาพ่อพระสัมนานท่ามหันทามงศิระอนามามีท่าบัจเจ้ า, านอบน้อมราธำนานด้วยเสียนเกล้า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 สงสารโวของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดบาติบาตรีแลว้วอุนชุบบาตรีปันโน ว, วะภ า, าควาโตสาวกัสังโคสงสารโวของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด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 ปฏิบาทเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนะโตวัวสหวกะสังโวสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดบปฏิบัติสมควรแล้ว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 เกสาภาขวัติวาวกัสังโคนะโสตโธ พระภูมิพระเกี้าอาหูนายโออเป็นสงควรแกสการะเทอนามบูชาบาหูนายโออเป็นสงควรแก่สการะที่จัดไว้ดอนรับ ทั้งสีนยโยเป็นผู้ควระตะศัีนาทานอันเฉลี่กระนิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอันเฉลี่อนุตารังบุญญาเขตโรกาสเป็นเนื้อนาบุญของโลกมา ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามะฮังสังขังอภิปูชยามีอาบัจเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพอพระสงฆ์มูนานอามะฮังสังขังศีระนมามี อาพระเจ้านอบน้อมราสงโม น, นันด้วยเสียนกรารจบจบธรรมวัดรเช้านั่งสงบสักสพักนะึง